ผู้บริหารโรงเรียนที่ยักยอกงบประมาณจะได้รับผลกรรมเร็วช้าแค่ไหนและอย่างไรครับหน้าตาก็ดีท่าทางก็ภูมิฐานแต่หมอเนี่ยไม่ได้โกงงบประมาณโรงเรียนอย่างเดียวยังโกงเงินพับป่าโกงเงินชาปน ก, กิจศพอีกต่างหากผมก็ยังเห็นเขาอยู่ดีและเดินหน้าโกงต่อไปทั้งที่น่าจะได้รับผลกรรมไปแล้วตอบ นี่เป็นข้อสงสัยที่ชวนให้คนไม่อยากเชื่อเรื่องผลกรรมกันมากที่สุดคือเลวขนาดเนี้ยไม่เห็นมันรับผลกรรมเสียทีลองคิดเพื่อความสบายใจก็แล้วกันนึกให้ออกว่าที่เขาหน้าตาดีท่าทางภูมิฐานแถมเป็นใหญ่ในระดับบริหารได้อย่างน้อยชาติก่อนคงต้องมีดีมีพฤติกรรมที่น่าภาคภูมิและก็เป็นใหญ่ในการบุญบางอย่างอาจจะเคยเป็นแม่ ง, งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าครั้งนั้นคุณเคยเกิดร่วมกับเขาและเห็นความมีน้ำใจของเขาคุณคงนึกแน่ๆว่าต่อไปเขาต้องได้ดีมีสุขมีความภูมิฐานมีความเป็นใหญ่แม้พลาดพลั้งทำชั่วไปบ้างก็คงไม่ให้ผลเร็วนักและถ้าในชาตินั้นเขาก้มหน้าก้มตาทำดีแต่ไม่เห็นผลดีสักทีคุณคงนึกเอาใจช่วยอยากเร่งรัดให้เขาได้ดีเร็ ว, เ, รวเมื่อผลยังไม่งอกเงย คุณก็คงนึกแค้นใจแทนและพานจะไม่อยากเชื่อว่าวิบากกรรมมีจริงเอามาในชาตินี้เขาเล่นบทตัวโกงไม่ใช่พระเอกและเรื่องของการโกงไม่ว่าจะเป็นงบอาหารกลางวันงบวัสดุการเรียนงบนักเรียนยากจนงบค่าพาหนะและอื่นๆทุกอย่างต้องเอามาคิดหมดไม่ตกหล่นถึงเวลากมเพิดผล เขาก็ต้องถูกเบียดเบียนเรื่องอาหารการกินเรื่องการเรียนเรื่องการเดินทางและทุกเรื่องที่เขาเคยทำมาอย่างไรก็ตามผลจากการเคยเล่นบทพระเอกทำให้เขายังต้องสวยสุขอีกระยะหนึ่งกับการเป็นคนหน้าตาดีภูมิฐานและเป็นใหญ่ในระดับบริหารความรู้สึกขับแค้นใจของคุณไม่อาจไปบังคับบัญชากรรมให้ทำหน้าที่เร็วๆได้สิ่งที่คุณทาได้และควรทาคือเป็นกลาง วางอุเบกขาด้วยความเชื่อใจธรรมชาติว่าตัดสินทุกคนอย่างยุติธรรมเสมอทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วและต้องสวยวิบากทั้งดีและชั่วตามระยะเวลาที่สมเหตุสมผลตามแรงส่งของกรรมที่ทำไว้เสมอครับ